พวกเราเป็นชาวพุทธเป็นผู้มีความศรัท ธ, ธาความเชื่อมีภาษาทะความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและในพระอริยสงสาวกพวกเราจึงควรเชื่อ และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยให้พิจารณาว่าพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้ว ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีการความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เราเกิดมาแล้วย่อมมีการพัาดพลาคจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดพลาดจากกันไปไม่ได้นี่คือวิธีที่จะทำให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะจะทำให้เราได้ประโยชน์ได้หลุดพ้น จากความทุกข์ต่างๆทรงให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆคือไม่ใช่แค่วันละครั้งสองครั้งแต่ให้พิจารณาอยู่เนืองๆเหมือนกับตอนที่ได้ทรงถามพระ อ, อ น, นุ์ไว้ว่า อ, อ น, นุ์วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายมากน้อยเพียงไร พระอ น, นุ์ก็ตอบไปว่าสี่ห้าครั้งพระตจ้าก็ทรงตรัสว่าอา น, นุ์เธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่วิธีที่จะทำให้เธอไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยเช่นหายใจเข้าก็ให้คิดว่าถ้าไม่หายใจออกเราก็ตาย ถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าเราก็ตายถ้าคิดอย่างนี้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วความคิดที่เป็นปัญญานี้จะกลายเป็นภาวนามายปัญญาขึ้นมาจะทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความตายได้ จะทำให้เราไม่มีความรู้สึกกลัวต่อความตายนี่คือเศทธผลที่ทำไมทรงสอนให้เราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองเนืองเพราะถ้าเราพิจารณาแล้วใจของเราจะตั้งมั่นจะสงบจะเป็นสมาธิและจะเป็นปัญญาจะจะมีปัญญา จะรู้ว่าร่างกายนี้จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปแต่จะไม่มีความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายจะไม่ทุกข์กับความแก่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บจะไม่ทุกข์กับความตายพอใจ เห็นด้วยปัญญาแล้วว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างภาวนาไมยปัญญาขึ้นมาที่จะดับความทุกข์ได้ ถ้าไม่พิจารณาอยู่เนืองเนืองอันนี้จะเรียกว่าจินตามยปัญญาพอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะดับความทุกข์ไม่ได้คิดถึงความแก่แล้วก็ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตาย แล้วไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจทุกข์ใจก็แสดงว่ายังไม่เป็นภาวนาไม่ยับปัญญายังไม่ได้พิจารณาอย่างต่อเนื่องยังไม่ได้พิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเพราะถ้าพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นจิตจะมีอุเบกขาเมื่อมีอุเบกขาแล้ว พอคิดถึงความแก่ก็จะรู้สึกเฉยเฉยคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรู้สึกเฉยเฉยคิดถึงความตายก็จะรู้สึกเฉยเฉยเมื่อรู้ว่าความรู้สึกเฉยเฉยนีย้เป็นประโยชน์แก่จิตใจเพราะทําให้ใจไม่ทุกข์นั่นเองพอเจอความแก่จริงๆก็จะเฉยเฉยเจอความเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะเฉยเฉยเจอความตายก็จะเฉยเฉยปล่อยวางได้เจอการพัดพรากจากกันก็จะเฉยเฉยนี่แหละผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีความเชื่อฟังในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำเอาไปปฏิบัติ การเชื่อฟังเฉยๆโดยไม่มีการปฏิบัติยังไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นทรงต้องการให้เรานำเอาไปปฏิบัติเพราะการฟังเฉยๆยังไม่สามารถทำให้ประโยชน์เกิดขึ้นได้ประโยชน์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติ เมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติแล้วประโยชน์คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนคือชาวพุทธอย่างพวกเรานี่พวกเรามีศรัทธาภาษาท ะ, ะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสแต่เรา ไม่มีความเชื่อเลื่อมสายจนถึงนําเอาไปปฏิบัตนะิเราเพียงแต่เชื่อและฝังแต่เราไม่นําเอาไปปฏิบัติกันประโยชน์ที่พึงจะได้รับก็เลยไม่เกิดขึ้นมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับเราไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะมอบให้กับเราได้ ปยะโยชสุขที่เราจะได้รับจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะทำให้กับเราได้ถ้าเราไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไป อย่างไม่มีวันสิ้นสุดอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ถ้าเราสามารถย้อนอดีตของเราไปได้เราจะเห็นภพชาติของเราเป็นจํานวนมากมายกายกองสุดลูกหูลูกตาถ้ามองระยะทางก็เหมือนกับสุดลูกหูลูกตาการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราในอดีตที่ผ่านมานี่ มันสุดลูกหูลูกตาและการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราในอนาคตมันก็ยังสุดลูกหูลูกตาอยู่เช่นกันยังไม่เห็นวันสุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ได้นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระ ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราในอนาคตที่จะตามมานี้ก็จะเป็นแบบสุดลูกหูลูกตาเช่นเดียวกันมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างต่อเนื่องเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายแล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะ ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพรอพระเจ้าได้เราถึงจะเห็นวันสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดการปฏิบัติเท่านั้นที่จะทาให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้การได้ยินได้ฟังนี้เป็น ประโยชน์ครึ่งเดียวแต่ยังไม่สมบูรณ์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติดั <Okay. S 1> งนั้นเราอย่าประมาทอย่าลืมความแก่อย่าลืมความเจ็บอย่าลืมความตายอย่าหลงไหลกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญและความสุข ทางตาหูจมูกริ้นกายเพราะมันเป็นกับดักของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองผู้ใดที่ยังหลงไหลข้างใครอยู่กับดาบยศสรรเสริญอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายแสดงว่าติดอยู่กับกับดักของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง ผู้ที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องไม่เข้าไปติดกับของลาบยศสารเสริญติดกับความสุขทางตาหูจมูกอิงกาย น, นี่คือสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่พวกเราที่ไม่รู้กันเพื่อที่พวกเราจะได้รู้จักวิธีทำให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าอยากจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องออกจากการแสวงหาลาบยศสรรเสริญแสวงหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะนี่เป็นที่ทำให้เกิดภพชาติเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเป็นแหล่งผลิตภพชาติกวาา็ว่าได้เกการแสวงหาลาบยศสรรเสริญการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าอยากที่จะหลุดออกจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องถอยออกจากการแสวงหาราบยศเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันด้วยการเอาเงินทองที่เราใช้ซื้อความสุขต่างๆซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาไปใช้กับผู้อื่นอย่าใช้กับ ใช้กับเราเอาไปซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้แก่ผู้อื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเอาไปทำประโยชน์แก่สังคมแก่ส่วนรวมแล้วเราจะได้ไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อพบชาตินั่นเองทุกครั้งที่เราใช้เงินทอง ซื้อข้าวของซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากได้ไม่ใช่ตามความจำเป็นการซื้อของที่จำเป็นนี้ไม่ได้เป็นการสร้างพบสร้างชาติเช่นซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งหม่มการซื้อของเหล่านี้โดยประมาณ ไม่ถือว่าเป็นการซื้อพบซื้อชาติแต่การซื้อแบบกิเลสตัณหาซื้อตามความอยากแม้จะเป็นปัจจัยสี่ก็เป็นการซื้อพบซื้อชาติได้เหมือนกันเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราเกินความจําเป็นมาดํารงชีพซื้อบ้านราคาร้อยหลายสิบล้านมาอยู่ ซื้อเสื้อผ้าราคาหลายแสนมาสวมใส่ซื้ออาหาราราคาหลายหมื่นหลายพันมารับประทานถ้าซื้อแบบนี้ใช้แบบนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นการใช้เงินทองตามความอยากอยู่ก็จะทำให้เป็นการสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาได้แต่ถ้าซื้อแบบมากน้อยสันโดษ ซื้อตามความจำเป็นซื้อให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นแล้วก็ให้ถูกที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อสิ่งเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างเหตุที่จะทำให้เรา ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราไม่มีเวลาเรามัวแต่ไปหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกริ่นกายมาซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆมาซื้อของตามความอยากต่างๆเราจะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติได้เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์การจะหลุดพ้นได้เราต้องมีเวลาไปปฏิบัติและการจะมีเวลาไปปฏิบัติเราก็ต้องยุติเอาเวลานี้ไปหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกาย ถ้าจะหาเพื่อมาซื้อปัจจัยสี่แบบมักน้อยสันโดษอย่างนี้จะไม่ใช้เวลามากจะไม่เสียเวลามากอย่างพระเวลาไปหาอาหารมารับประทาน <c oughs> ก็ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวไปเบนตบาท <c oughs> ก็ได้อาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วอาหารก็ตามมีตามเกิดไม่ต้อง เป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้อาหารที่ต้องถูกปากถูกคอถูกใจยินดีตามมีตามเกิดเรียกว่าสันโดษมากน้อยก็คือเอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนเกินก็ไม่เก็บสะสมมาไว้ส่วนเกินก็สละไปบริจาคไปให้ผู้อื่นที่เขาไม่มีได้มีบ้างนี่คือลักษณะของการ ใช้เงินที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองถ้าใช้ตามความอยากแล้วต่อให้ใช้ให้ได้มากเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะความอยากจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเคยมีระดับนี้ก็จะใช้ระดับนี้พอมีมากกว่าระดับนี้ก็จะใช้มากกว่าระดับนี้ มันจะตามกันไปเรื่อยๆถ้าใช้ตามความอยากแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญได้ก็คือศีลสมาธิและปัญญาก่อนที่จะมาพิจารณาอย่างต่อเนื่องพิจารณาธรรมอย่างต่อเนื่องได้จะต้องมีเวลาไม่ต้องใช้เวลาไปกับการ ทำงานหาเงินหาทองกับการใช้เงินใช้ทอง <Ừ. S 1> ต้องมีเวลาว่างจากภารกิจต่างๆถึงจะได้มีเวลาที่จะมาพิจารณาอย่างเนืองๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดา <Ừ. S 1> ถ้าสามารถพิจารณาอย่างต่อเนื่องได้ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบ ใจจะเป็นอุเบกขาแล้วก็จะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะรู้จากวิธีที่จะประเชิญกับความแก่ความเจ็บความตายนั้นเองก็คือการทำใจให้เฉยทำใจให้นิ่งทำใจให้เป็นอุเบกขาร่างกายจะเป็นอะไร เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาไม่แก่สั่งให้เขาไม่เจ็บสั่งให้เขาตายไม่ตายไม่ได้ถ้าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกไปเปล่าๆถ้าเฉยๆเสียก็จะไม่ทุกก็จะอยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้อยู่กับความตายได้ ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่เป็นวิธีง่ายๆที่พวกเราไม่คิดกันว่าจะได้ผลพวกเราเลยไม่มีใครทำกันไม่มีใครพิจารณากันอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่ได้ทรงสอนพระ อ, อนุนทุกลมหายใจเข้าออก อย่าไปเสียเวลาคิดกับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายอย่าไปเสียเวลากับการหาวิธีชะลอความแก่ชะลอความเจ็บไข้ได้ป่วยชะลอความตายเลยชะลอไปก็เท่านั้นมันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมเองแต่ช้าหน่อยเสียเวลาไปเปล่า เอาเวลามาพิจารณาอย่างเนืองๆดีกว่าว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพากจากการเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วจิตจะเชื่องจิตจะนิ่งจิตจะสงบ จิตจะปล่อยวางร่างกายได้จะไม่ทุกข์กับความแก่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บจะไม่ทุกข์กับความตายจะไม่ทุกข์กับการพัดพรากจากกันนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับหากเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่คือหลักของการปฏิบัติ เพื่อให้หลุดพน้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือการเจริญสติสมาธิและปัญญานั่นเองการพิจารณาอย่างเนืองๆ น, งนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติทุกครั้งที่เราเระลึกถึงความตายก็เรียกว่ามรณาณุสติแล้วเมื่อเราเระลึกอยู่อย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออกจิตก็จะเป็นสมาธิขึ้นมา เมื่อเป็นสมาธิจิตก็จะนิ่งเฉยเป็นอุเบกขาจะปล่อยวางได้พอเห็นความแก่ก็จะเฉยเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเฉยเห็นความตายก็จะเฉยนี่คือสิ่งที่เราไม่ทำกันไม่ปฏิบัติกันไม่สร้างกันไม่สร้างสติไม่สร้างสมาธิไม่สร้างปัญญากัน วันหนึ่งมัวแต่คิดเรื่องหาที่ไปเที่ยวกันที่ไปหาความสุขกันไปกินไปดื่มกันไปสังสรรค์กันไปทำอะไรจิต ป, ปาถะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจได้เวลาที่พบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตาย เพราะเราไม่เอาจริงเอาจังต่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปจึงไม่ได้เกิดประโยชน์เหมือนกับทับพีในหม้อแกงฟังธรรมแบบทัพพีในหม้อแกงเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปไม่ได้นําเอาไปปฏิบัติต่อไม่เหมือนกับผู้ที่ฟังแล้วนําเอาไปปฏิบัติ เรียกว่าฟังแบบลิ้นกับแกงลิ้นกับแกงนี้จะรู้รสชาติของแกงทันทีเพียงหยดเดียวก็รู้ว่าเป็นแกงชนิดใดส่วนทัพพีนี้ต่อให้อยู่ในหม้อแกงไปเป็นเวลาเวลาอันยาวนานก็จะไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรการฟังเทศฟังธรรมแล้วไม่นำเอาไปปฏิบัติก็จะไม่ได้รับสัมผัสกับผลอันเลิอันประเสริฐ สองธรรมแต่ถ้าฟังแบบฟังแล้วนําเอาไปปฏิบัตินีก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมนี้ชนะรถทั้งปวงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมาดับความทุกข์ใจได้ความทุกข์ใจนี่แหละคือรถแห่งธรรม เวลาเกิดความทุกข์แล้วความทุกข์นั้นดับไปจะเห็นความประเสริฐของลดแห่งธรรมเวลาหลุดพ้นจากความทุกข์นี้จะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อให้ได้ราบยศสระเสริญสุขมากองเท่าภูเขาก็ตามมันก็ไม่ได้มาทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ นอกจากจะทำให้เราแบกความทุกข์เพิ่มมากขึ้นแบกกองทุกข์ของราบยศสารเสริญยิ่งกองใหญ่ก็ยิ่งทุกข์หนักไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ฉังนั้นอย่าไปหลงกับการแสวงหาราบยศสารเสริญกับการหาความสุขทางจา่าหูจ่หมูกเินกาย ให้เรามาหาลดแห่งธรรมกันลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงราการที่จะได้ลดแห่งธรรมก็ต้องมีความยินดีในธรรมเพราะความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงนั่นเองชนะความยินดีในลาบยศ ส, สรรเสริญเพราะถ้ายินดีในลาบยศ ส, สรรเสริญสุขก็จะไปได้รับกองทุกข์กับเป็นผลตอบแทน ถ้ายินดีในธรรมก็จะได้รับลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงเป็นผลตอบแทนดนั้นเราต้องมีความยินดีมีฉันทะฉันทะคือความยินดียินดีในธรรมเมื่อเรามีฉันทะแล้ววิริยะก็จะตามมาจะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเจริญปฏิบัติธรรม มีความยินดีในธรรมแล้วก็จะทําให้เกิดวิริยะคือความยินดีในธรรมเมื่อมีความยินดีในธรรมใจก็จะจดจ่ออยู่กับธรรมเพียงอย่างเดียวจะไม่ไปสนใจกับลาบยศสรรเสริญสุขจะสนใจอยู่กับสติสมาธิและปัญญากับศีลกับการปิกวิเวนนี่คือการยินดีในธรรม ทำให้ใจเรานี่จะจดจอ่อจะคิดอยู่วิมังสาก็คิดเรื่องของธรรมไม่ไปคิดเรื่องของลาบยศเสรเสรเสรสุขเรื่องของลาบยศเสรเสริญสุขนี่จะตัดทิ้งไปเลยทุกครั้งถ่าจะคิดก็ตัดมันไปจะคิดแต่เรื่องการปีกวิเวกเรื่องความมากน้อยสันโดเรื่องของการทำความเพียร เรื่องของการไม่คลุกคลีกันเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเรื่องของวิมุตติเรื่องของวิมุตมติญาณ ท, ทัศน์จะพุ่งจิตใจไปที่ธรรมเพียงอย่างเดียวเมื่อมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาแล้วผลต่างๆก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี้ คืออิทธิบาทสี่นี่เองอิทธิบาทสีแปลว่าอะไรอิทธิทแปลว่าความยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จบาทก็คือทางอิทธิบาทก็แปลว่าทางสู่ความสำเร็จสี่ประการด้วยกันถ้ามีคุณธรรมสี่ประการนี้กิมีฉันทะความยินดีในธรรมมีวิริยะความภาคเพียรที่จะปฏิบททัติธรรม มีจิตตะจิตใจที่จดจอ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมมีวิมังสาจิตใจที่คข้ควรพิจารณาแต่ธรรมพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆ เ, เรียกว่าวิมังสาพิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นี่เรียกว่าวิมังสาไข้ ค, ควรอยู่กับธรรม ใจก็จดจอ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมใครจะมาชวนไปไหนก็ไม่ไปใครจะซื้อตั๋วให้ไปเที่ยวเมืองนอกก็ไม่ไปยกให้คนอื่นไปใครอยากจะไปซื้อพบไปต่อพบต่อชาติก็ไปเที่ยวเมืองนอกกันใครอยากที่จะไปต่อพบต่อชาติก็ไปกินเลี้ยงกันไปเฮหาปาร์ตี้กันแต่คนที่ต้องการตัดพบตัดชาตินี้จะไปปีกวิเวก จะไปมากน้อยสันโดษจะไปเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะได้วิมุตติและวิมุตติญาณรัตนะคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการมีอิทธิบาทสี่ถ้ามีอิทธิบาทสี่ในบุคคลใดแล้วความสำเร็จก็ต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน เพราะธรรมนี่คือเหตุที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จขึ้นมานั่นเองอิทธิบาทแปลว่าทางสู่ความสําเร็จทางสู่ความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่คืออะไรก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่จะมีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้านี่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะอิทธิบาทสี่นี่ ดูความเพียรของพระพุทธเจ้าดูฉันทะของพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระราชโอรสแต่พระทัยของพระองค์ไม่ได้มีฉันทะกับราชยศสรรเสริญสุขของพระราชโอรสเลยกับมีฉันทะกับการไปเป็นสั ม, มณะเป็นนักบวชไปปลีกวิเวกไปถือความมักน้อยสันโดษไปอยู่ตามลําพังลําพังไม่คลุกขีกับไก่ แมจเจริญศีนสมาธิปัญญานี่คือฉันทะของพระพุทธเจ้าวิรยาของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติจนสลบสลายถึงสามครั้งอดทกยอาหารถึงสี่สิบเก้าวันทรงตั้งสัจจะอธิษฐานขณะที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพ ว, ว่าจะไม่ลุกจากที่นีที่นั่งนี้ไปโดยเด็ดขาดราบาดถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ตัดสเล ไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ไม่ยอมลุกโดยเด็ดขาดนี่คือความเพียรของผู้ที่มีอิทธิบาทสี่อย่างพระพุทธเจา้าจิตใจก็ภาวนาจดจอ่ออยู่กับการเจริญสติสมาธิและปัญญาสามถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแล้วในที่สุดก็ได้วิมุตติได้หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นพระบรมรศา ส, สดาได้เป็นพระอรหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้านี่คือผลของอิทธิบาทสี่ความยิ่งใหญ่จะมีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างจะมีความยิ่งใหญ่อะไรเท่ากับการได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกจะมีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับการได้บรรลุมรรคผลนิพพาน นี่นี่คืออิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาทก็คือทางสู่ความยิ่งใหญ่ถ้าเราต้องการไปสู่ความยิ่งใหญ่ไปสู่ความสำเร็จเราก็ต้องสร้างฉันทะขึ้นมาสร้างฉันทะคือความยินดียินดีในธรรมเพราะความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความยินดีในธรรมจะนำให้เรา ได้ไปพบกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเราจึงต้องใยบุญายกุศลายธรรมอยู่เรื่อ ย, เยๆเข้าหาธรรมอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่จะต้องเลือกระหว่างการไปเที่ยวกับการไปหาธรรมะต้องไปหาธรรมะทุกครั้งที่จะเลือกว่าต้องไปหาลาบยศสรรเสริญสุขดีหรือไปหาธรรมดีผู้ที่มีจิตายธรรมจะต้องไปทางธรรม อย่างเดียวจะไม่ไปในทางลาบยศสารเสริญสุขอีกต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความยินดีในธรรมเมื่อมีความยินดีในธรรมก็จะมีความภาคเพียนต่อการปฏิบัติธรรมต่อการเจริญธรรมเมื่อมีการภาคเพียนมีการเจริญธรรมใจก็จะมีการจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติกับการเจริญธรรม คิดวิมังสาก็คิดอยู่กับเรื่องของธรรมเช่นตามที่พระเจ้าทรงสอนให้คิดให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัาดพลาคจากกันเป็นธรรมดาถ้าคิดอย่างต่อเนื่องแล้วความคิดนี้ ก็จะกลายเป็นภาวนาไมยัปปัญญาขึ้นมาเพราะคิดแบบนี้จะทำให้ใจนิ่งให้สงบเป็นอุเบกขาเมื่อเป็นอุเบกขาแล้วแล้วก็มีความรู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปยุ่งกับเขาไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ให้รู้เฉยๆแล้วจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์ก็เรียกว่าก็หลุดพ้นจากความทุกข์ ก็จะเฉยกับความแก่เฉยกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเฉยกับความตายได้ปัญหาของผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็อยู่แท้ตรงนี้เองคือเฉยไม่ได้พอคิดถึงความแก่ก็กลัวแล้วคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลัวแล้วคิดถึงความตายก็กลัวแล้วยังไม่ทันได้เจอตัวมันเลยเหมือนกับไปอยู่ในป่าแล้วได้ยินเสือคำรามเท่านั้นก็กลัวแล้วยังไม่เห็นตัวมันเลย แต่ผู้ที่คอยพิจารณาเรื่องเสืออยู่เรื่อยๆเสือมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรที่เราไม่มีบ้างอย่างที่หลวงตาให้พิจารณาเวลาไปอยู่ในป่าไปเจอเสือให้แยกให้เปรียบเทียบดูว่าเสือมันมีอะไรแล้วเรามีอะไรมันมีผมเราก็มีผมมันมีขนเราก็มีขนมันมีเขี้ยวเราก็มีปันมันมีเล็บเราก็มีเล็บ มีหนังเราก็มีหนังมีเนื้อเราก็มีเนื้อมันมีอะไรเราก็มีหมดมีอย่างเดียวที่เราไม่มีคืออะไรกห็หางเสือเท่านั้นเองเรากลัวหางเสือเลยอีอย่างอื่นเราไปกลัวทําไมมันมียงไงเราก็มีอยู่เราก็ไม่เคยกลัวผมของเราเราไปกลัวผมของมันทําไมผมของขนของมันกับขนของเรามันต่างกันตรงไหน cito? นี่คือการพิจารณาอย่างเนืองๆ เ, เ, เพื่อดับความกลัวเออ พอมันใจมันเฉยแล้วมันก็จะไม่กลัวเพราะใจก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็จะต้องตายอยู่ดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ที่ปลอดภัยที่สุดมีรอปพคุ้มครองรักษาตลอด24ชั่วโมงก็ตายได้อยู่ในป่าในเขาที่มีภัยรอบด้านก็ตายได้ถ้าถึงเวลาจะตายมันตายได้ ถ้ายังไม่ถึงเวลามันก็ไม่ตายดูครูบาอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่กับสิงสาราสัตว์ต่างๆทำไมท่านไม่ตายกันเพราะมันไม่ยังไม่ถึงเวลาที่จะตายมันไม่ตายหรอกแต่ถึงเวลาตายอยู่ที่ไหนก็ต้องตายเรื่องของความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่ควรที่จะไปสนใจให้เสียเวลาเปล่าๆไม่ควรที่จะต้องไปกลัวให ให้ทุกไปปล่าเพราะกลัวไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรถึงเวลามันจะตายมันก็ต้องตายถึงเวลาไม่ตายมันก็ยังไม่ตายงนั้นวิธีที่เราจะปฏิบัติกับความตายได้อย่างถูกต้องโดยไม่ทำให้เกิดความทุกข์แก่เราก็คือให้รู้เฉยๆท่านเองให้เฉยกับมันเฉยกับความแก่เฉยกับความเจ็บเฉยกับความตายจะเฉยได้ก็ต้องพิจารณาอยู่เนือง พิจารณาจนจิตเฉยพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะเฉยเองมันจะชินชากับความแก่กับความเจ็บกับความตายแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็จะรู้ว่าได้หลุดพ้นจากความแก่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายแล้วไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้ว ถึงเวลาก็เฉยเท่านั้นเองเพราะทำอะไรไม่ได้ไปร้องโวยวายก็ทำอะไรไม่ได้ไปหนีมันก็หนีไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเวลาที่เจอความแก่ความเจ็บความตายนอกจากเฉยเฉยเท่านั้นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับมันการปฏิบัติทำทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องการไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ต้องไปการไปเปลี่ยนแปลงร่างกาย ไม่ต้องการไปเปลี่ยนแปลงความแก่ความเจ็บความตายเพราะเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่เปลี่ยนได้ก็คือความทุกข์ใจนี้เท่านั้นเองสามารถทำให้ใจไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆได้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัส ร, รับรู้ทำได้ถ้าเราทำใจให้เฉยได้นี่คือเรื่องของการเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อแล้วนำเอาไปปฏิบัติต้องปฏิบัติถึงจะได้ผลถ้าไม่ปฏิบัติกลับมาฟังเทเด็กสิบปีก็เหมือนเดิมไม่ได้มีความเจริญก้าวหน้าไปแต่อย่างใดก็เหมือนกับทัพพีในหม้อกแกงยังไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับรถแห่งรถของแกงสักทีถึงแม้ว่าจะอยู่ติดกันก็ไม่รู้รถของแกงว่าเป็นรถชนิดไหน ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องเปลี่ยนจากทัพพีมาเป็นลิ้นฟังแบบลิ้นกับแกงก็คือฟังแล้วนาเอาไปปฏิบัติเมื่อเราไปปฏิบัติแล้วก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งทรรที่ชนะรถทห่งปูนไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีการปฏิบัติก่อนจะปฏิบัติก็ต้องมีการฟังก่อน ฟังว่าจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อฟังแล้วรู้แล้วว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ต้องเอาไปทำทำแล้วถึงจะเกิดผลขึ้นมาถ้าไม่ทำก็ยังไม่เกิดผลก็จะไม่รู้รถแห่งธรรมว่าชนะรถทั้งปวงนั้นเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องของพวกเราที่เป็นชาวพุทธที่มีศรัทธาความเชื่อมีระษาทความเลื่อมใส ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โลกเหล่านี้ถือว่ามีโชคมีวาสนามากที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีศรัทธาความเชื่อเรามาครึ่งทางแล้วดีกับพวกที่พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีความเชื่อไม่ไม่สนใจไม่ศึกษาอย่าว่าแต่ปฏิบัติเลยแม้แต่ศึกษาก็ไม่สนใจะ พวกนี้ก็เป็นพวกที่ตัดอนาคตของตัวเองไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเลยทั้งๆที่นานๆานจะได้มาพบเจอกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งเพราะนานๆพระพุทธศาสนาจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งแล้วนานๆานโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ จะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นโชคลาบอันมหาศาลโชคที่ยิ่งใหญ่กว่าการถูกรตรัตลี่รางวัลที่หนึ่งเอีกเพราะโอกาสที่จะได้เป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนานี้มันยากยิ่งกว่าการถูกรถเตรี่รางวัลที่หนึ่งหลายล้านเท่าด้วยกันตอนนี้เราได้เป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนานแล้วแล้วเราก็มีศรัทธาแล้ว เราก้าวมาไกลแล้วหรือก้าวเดียวเท่านั้นเองคือการปฏิบัตินี้เท่านั้นเองทําไมไม่ปฏิบัติกันอย่าประมาทนอนใจเพราะเวลานี้มันไม่มีใครกําหนดได้ว่าจะหมดเมื่อไหร่อย่างเมื่อวานนี้ก็มีญาติโยมท่านหนึ่งที่ใส่บาตรอยู่เป็นประจําก็ไปไว่ายน้ําแล้วตะคิวเป็นตะคิวก็จมน้ําตายไปอายุก็ยังไม่มากประมาณสี่สิบ มีภรรยามีลูกสองคนเนี่ยความตายมันจะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แม้แต่พระเมวานี้ไปบินทบาทก็เกือบจะไปชนกับรถแล้วมีรถวิ่งสวนมาวิ่งเข้ามาในทางของของรถที่วิ่งไปพอดีคนขับมันได้สติมันดึงกลับไปมันก็จะได้ชนกันแล้วคนขับเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือหลับในหรือเปล่าก็ไม่รู้วิ่งมาด้วยความเร็วสูง นี่คือความตายที่รอเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่รู้กันเราต้องคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาะนอนใจไม่เช่นั้นเราจะคิดว่าโอ๊ยเรายังอายุแค่นี้ยังไปได้อีกหลายปีตอนนี้ขอเที่ยวก่อนขอความสุขจากราบยศสรรเสริญก่อนไอเรื่องไปนั่งพุทโธไปนั่งพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายนี้ ขอรอเวลาที่ทำอะไรไม่ได้แล้วไปเที่ยวไม่ได้แล้วค่อยมาว่ากันตอนนี้ยังเที่ยวได้ขอเที่ยวก่อนถ้ามันเป็นไปตามที่เราวางแผนได้ก็ดีกลัวมันจะตายก่อนถึงเวลาที่เราวางแผนไว้หรือถึงเวลาแก่แล้วก็ไม่มีกำลังที่จะมาปฏิบัติทําแล้วจะนั่งจะเดินจะเหินจะทาอะไรก็ไม่ไหวแล้วแล้วจะมาให้พิจารณาอยู่เนือง ก็ไม่มีกำลังที่จะพิจารณาได้ตอนนี้กำลังมีกำลังวังชาที่สามารถที่จะพิจารณาทำต่างๆได้ก็ควรจะรีบทาเสีย เ, เวลามันจะหมดไปเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยท่านว่าเวลาเป็นเหมือนกับเอาสรพิษงูที่คอยเขเมือแบบเหยือ่อเข้าไปทีละนิดทีละน้อย เ, อเวลานี้ เกินกินสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์ทั้งหลายเวลาผ่านไปผ่านไปนี่คนก็จะตายไปทีละคนสองคนหายไปทีละคนสองคนพวกเรานี้อีกสักร้อยปีนี่ไม่มีใครอยู่ในโลกนี้แล้วถูกเวลาเขาเมือกินไปหมดแล้วเอกร้อยปีนี้ไม่มีพวกเรามานั่งฟังเทศฟังธรรมกันอย่างอยู่ที่เป็นอยู่ขณะนี้ดังั้นอย่าประมาทให้รีบใช้เวลาอันมีค่านี้ให้เกิดคุณเปิดประโยชน์ ในขณะ น, นี้เพราะว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านี่คือความไม่ประมาทที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราตั้นกันให้เราเราเลิกอยู่เรื่อยๆว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้อย่างคณะของเราก็ได้ข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่มีคนตายไปคนหนึ่งแล้วตายไปทีละคนสองคน เหมือนกับใบไม้บนต้นไม้ต้นโพนี่ยทุกปีมันจะผลัดมันจะผลัดใบใบเก่ามันก็จะล่วงไปหมดแล้วใบใหม่ก็จะผล่ขึ้นมาพวกเราเป็นเหมือนใบไม้เก่าเดี๋ยวก็ต้องร่วงลงออกลงดินไปเปิดเปิดทางให้ใบไม้เก่าใบไม้ใหม่ก็ออกมานั้นรีบทําเสียก่อนที่เราจะตายกันถ้าเราไม่รีบแล้วมันก็จะ ไม่ได้ทำํำเพราะมันจะปะัดผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆขออีกวันนะ่ะขอเลื่อนไปอีกวันวันนี้ก็เลื่อนไปพุ่งนี้พอพรุ่งนี้ก็เลื่อนไปต่อเลื่อนไปอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะหมดเวลาหมดเวลาเราจะมาร้องห่ม่ร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจก็ไม่มีใครก็ช่วยะเราได้อย่างนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทรีบตักตวงธทำของพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ถ้ารีบทำทตั้งแต่บัดนี้เพียงไม่กี่วันกี่เดือนก็จะสามารถตักตวงได้อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าก็สงรับรองแล้วว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีทำที่อันเลิศอันประเสริฐทำที่เป็นลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงจะเป็นของผู้ที่มีความยินดีในธรรมผู้ที่มีอิทธิบาทสี่ต่อธรรม ก็คือมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังษานี่เองดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเอาความไม่ประมาทนี้ไปเป็นเครื่องเตือนใจสอนใจเพื่อให้กระตุ้นความเพียรของพวกเรากระตุ้นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังษาให้เกิดขึ้นเพื่อผลอันเลิศอันปรื่องคือลแถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยาถาวาเวาหาปุราปารลปุรเรนติสาขลงเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกัรปฏิอิชิตังปัติตังตุมหังคิปปปเมวะสมิจตุสัพเพปุรเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยทธามณิโชติราโสยทธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาทานสีฤทธสนิจังวุฒาปจายโน จตารโรธรร ม, มาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลางาลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีปัญหาอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ เพราะว่าหลังจากที่เริกประชุมแล้วก็จะไม่ขอตอบปัญหาอีกต่อไปงั้นใครมีปัญหาอยากจะถามก็ถามได้ตอนนี้เลยกลาวในมัสการค่ะหลวงพ่อเออลูกอยากเรียนถามว่าตอนที่ก่อนจะเข้าพรรษานะคะก็ได้ขาจุดทูบแล้วก็บอกไว้ว่าเข้าพรรษาปีนี้ จะมาอปฏิบัติธรรมให้ครบสามเดือนในวัด่นะคะทีนี้พอดีไม่ทราบว่าแต่ละวัดเนี่ยเขาจะมีให้แค่เจ็ดวันสิบห้าวันอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ได้อยู่มาสองที่แล้วที่นี่ก็เจ็ดวันที่ที่แล้วก็สิบห้าวันทนีถ้าเกิดเ อ, อลูกไม่ต้องไปเที่ยวตะเวนหาจะทำที่บ้านตัวเองเนี่ยจะได้ไมันแค่จะผิดสัจจ์ไหมคะก็แล้วแต่เราตั้งสัจจ์ยังไงอ๋อค่ะ ถ้าตั้งอยู่วัดก็ต้องไปวัดใช่ไหมคะอ่าจะกินก๋วยเตี๋ยวเราไปกินข้าวผัดนย่างงี้มนก็อค่ะงั้นก็ต้องแย่อาวัดต่อให้ครบทุกเทปเขาไปตั้งก่อนทําไมไม่ไปเลือกวัดดูก่อนอไม่ไปสำรวจดูก่อนว่าไปอยู่ที่ไหนได้หรือเปล่า เออค่ะก็พอดีหนุกกลับมาจากนอกก็บินเข้ามาเลยอะค่ะโดยไม่ทราบเดี๋ยวเด๋ยวจะลองไปค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องสึกจากที่นี่แล้ค่ะเขาให้อยู่แค่เจ็ดวันค่ะแล้วก็ออกก็คงไปหาที่อยู่ใหม่อะค่ะแต่ค่ะทีแรกหนูว่าหนูว่าคือว่ามาอยู่ได้จะหาเช่าอพาร์ตเมนต์เรือบ้านอยู่แถวนี้แล้วก็มาฟังหลวงพ่อทุกวันทุกคนแต่ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเข้าวัดใช่ไหมคะก็ไม่รู้แหะคุณพูดไว้ยังไงกับตัวคุณเองคุณก็ต้องไปมาถามเราได้ไง ค, คุณคบอกคุณจะรักคนนี้แล้วถึงเวลาคุณไปรักอีกคนอย่างนี้มันมเป็นสัต์จาาหรือเปล่าอ๋อค่ะใครไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวไปหาวัดต่อค่ะคำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณปราณีวันนี้โยมเห็นข่าวคณะสงฆ์มีมติสวดยติทุติยมกรรมมวาจาความบาดผลเอกประยุทธ ยงขอกราบถามว่ามีความหมายว่าอย่างไรคะและเราในฐานะสิทธ์ควรวางตัววางจิตอย่างไรคะเราไปถามโลกที่เขาสวนที่เราไม่รู้ก็าสวนอะไรกัน <laughs> คำถามจากคุณกรรวีหนูอยากตัดภพกัดชาติแต่ยังตัดทางโลกไม่ได้เจ้าค่ะจะทำยังไงดีคะขอพระอาจารย์แนะนำเจ้าค่ะ <laughs> ทําไปตามด้วยทําอยู่นี่แหละใจอยากอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างมันก็มันก็ขัดกันอยู่แล้วปากกับใจต้องตรงกันสิออยากจะทําอะไรก็ต้องทําตามที่เราอยากอยากจะกินขิงเปลือกแต่ไปสั่งข้าวผัดนี้มันก็ได้ข้าวผัดเนี่นะคาถามจากคุณออสค่ะถ้าทําอาชีพขายไก่ ย, ย่างจะดีไหมครับ ผมมีส่วนบาปไหมครับถ้าเราไม่ไปสั่งให้เขาฆ่าหรือเราฆ่าไก่เก็ไม่บาปคะคำถามจากคุณวินระหว่างปฏิบัติพยายามกำหนดอยู่กับอริยบทปัจจุบันโดยป้องกันความคิดเข้ามาแทรกแต่ความระวังทำให้เกิดความเครียดจากการระมัดระวังขอคำแนะนำผ้าจารย์ค่ะ ก็อย่าไปสนใจมั น, ม, นมันเครียดก็เครียดไปเดี๋ยวมันก็หายเองถ้าใจสงบแล้วเดี๋ยวมันก็หายคําถามจากผู้ฝากถามค่ะตัวที่จะวัดผลว่าเรามีความก้าวหน้าจากการปฏิบัติที่หลวงพ่อตอบเสมอคือความอยากน้อยลงความโลภความโกรธความหลงน้อยลงมีความสุขมากขึ้นอันนั้นเป็นนามธรรมาแต่ถ้ามองในแง่รูปธรรม หากเราใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเช่นลดการอาบน้ําเรือวันละครั้งทำเหมือนพระจากเดิมอาบวันละ 2-3 รอบเพื่อความสบายตัวเวลากินก็กินเพื่ออยู่ไ ม, ม่เรื่องมากเรื่องอาหารมีอะไรก็กินอั น, นั้นเวลาพอเริ่มเจ็บป่วยไม่คิดที่จะวิ่งไปโรงพยาบาลหรือวิ่งหายาจะดูความเจ็บป่วย ฝึกดูเวทนาไปไม่ทุรนทุรายเหมือนเมื่อก่อนเรียกได้ว่าไม่เรื่องมากกับชีวิตเป็นไม่เรื่องมากกับชีวิตความเป็นอยู่พยายามยึดแบบพระส่วนเวลาเจอความทุกข์ใจมันก็หายไปเร็วกว่าเมื่อก่อนที่สำคัญชอบการอยู่แบบสงบสงบอยู่คนเดียวไม่อยากสูงสิงกับใครถ้าไม่จำเป็นและพยายามจเจริญสติ ดึงใจให้อยู่กับปัจจุบันถึงแม้จะยากแต่ก็รู้ว่าถ้ามีสติก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์จากสิ่งที่ที่มากระทบอย่างนี้พอจะเป็นตัววัดได้ไหมคะว่ามีความก้าวหน้าจากการปฏิบัติค่ะเราก็ต้องวัดว่ามันก้าวหน้าจากไหนนะจากความฟุง้งซ่านมาสู่ความสงบมันก็ก้าวหน้ามันแล้วแต่ว่า เราจะวัดจากจุดไหนไปจุดไหนถึงจะรู้ว่ามันก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าเช่นถ้าเราเคยมีอยู่สิบล้านแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยี่สิบล้านนีมันก็ก้าวหน้าแต่ถ้าเราได้ยี่สิบล้านตอนนี้แต่เมื่อก่อนเรามีสี่สิบล้านมันก็ไม่ก้าวหน้ามันก็ถอยหลังงั้นจะมาถามว่ามันก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าคุณก็ต้องบอกจุดที่คุณเริ่มต้นก่อนแล้วถึงจุดที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ว่าเป็นอย่างไร ถจะรู้ว่าก้าวหน้าหรือถอยหลังเพระตรงจุดนั้นมันเป็นได้ทั้งสองอย่างก้าวหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้เคยมีอยู่สี่สิบล้านเหลือยี่สิบล้านมันก็ถอยหลังแล้วเคยมีอยู่สิบล้านแล้วมียี่สิบล้านมันก็ก้าวหน้าฉั้นจะให้ตอบแบบยังไงนะ่ะก็ไม่รู้ว่าคุณอยากจุดไหนไปสู่จุดไหนคำถามฝากถามค่ะ ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลต้องคอยตอบคำถามช่วยเหลือพนักงานทั้งวันจิตวุ่นวายไม่ได้พักพระอาจารย์มีวิธีการแนะนำในการรักษาจิตระหว่างวันอย่างไรบ้างคะก็นั่งพุโทโธพุโทโธไปเวลาไม่ต้องคิดไม่ต้องทำงานเวลาไม่ต้องใช้ความคิดก็พยายามเจริญพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆลบความคิดต่างๆแล้วความวุ่นวายความเครียดต่างๆก็จะหายไปหมดแล้วอ ในซาลามกาอยากจะถามไหมไอเมย์กเ็เอาทางบ้านไอเมื่อเมื่อวานนี้มันมันมีตัวเลขบอกคนเข้าถึงน้องสี่แสนไม่รู้ตัวเลขจริงก็เปล่าไหมลูกจริงค่ะเขาจัดมันเขาจากาจากุดที่เริ่มต้นถ้าแชร์ไปใครเข้ามาดูมันก็จะว่ามันเริ่มเป็นมาตั้งแต่วันที่สิบสองม มันเขายอดแชร์ที่ใครไปถึงแม้มัเป็นเฟนเขาไปดูเขาก็นับเมื่อก่อนมันไม่ถึงอะเมื่อก่อนมันแค่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเป็นอย่างมากแล้วพอจู่ๆขึ้นมาวันที่สิบสองนั้งดูเอ้ขึ้นมาต้องสี่สามสนสัปดาห์นี้มีคนเข้าถึงแล้วหนึ่งล้านหนึ่งล้านกว่าหนึ่งล้านกว่าไม่รู้ว่าเป็นตัวเลข จริงแล้วตัวเลขปางก็ไม่ได้เลขที่เขาก็ไปหน้าเพจเขาก็นับแล้วถ้าเฟซบุ๊กไลค์แค่ดู3วิก็นับเป็น1วิวแต่ถ้า YouTube ก็จะเป็น30วิก็จะเป็น1นึ่งวิวไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนไฟป่านะเพราะมันลูกก็เรียกเป็นระบบไวรัสอะไวรัสแพร่กระจายใช่ให้ทีมงานเขาจะได้ดีใจมีกำลังใจนะ <premises. S 2> อย่างนี <laughs> <h> ้ธรรมะในสวนไปถึงคนเป็นล้านนั่นนี่เดี๋ยวไม่มีที่พักนึเนี่ยเดี๋ยวไม่พอพักเลยครับคำสา่จัดทานยู u ูบเฟซบุ๊ก o ลฟ์นะครับจากคุณทีหน้านะครับการอยู่กับความว่าง และการอยู่กับความรู้สึกตัวเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ถ้าไม่ใช่แต่างกันอย่างไรไม่รู้เหมือนกันมันแตกต่างกันอย่างการรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวความว่างมันก็ว่างมันคนละเรื่องกันความรู้สึกตัวรู้ว่าว่างหรือไม่ว่างนี่เรียกว่าความรู้สึกตัวส่วนความว่างก็คือไม่ได้คิดปรุงแต่กมันก็ว่างคงจะไม่เป็นคงจะไม่เป็นตัวเดียวกันน ความรู้สึกตัวก็คือรู้ว่าตอนนี้เราว่างหรือไม่ว่างแล้วความว่างก็คือเราไม่ได้คิดปรุงแต่งมันก็ว่างคำถามทีค่คุณลุชานดารนะครับถ้าโยมไม่ได้เดินก่อนนั่งอยากทราบว่ามีผลต่อการทำสมาธิหรืออนิสม์ที่ได้ต่างกันอย่างไรหรือไม่เจ้าคะเพราะบางทีเวลาที่โยมจากปฏิบัติมีน้อย เรื่องเดินเรื่อง น, งนั่งนี้ไม่ได้เป็นประเด็นสาคัญจะนั่งก็ได้จะเดินก็ได้ประเด็นสาคัญต่อการปฏิบัติก็คือสติว่ามีสติหรือไม่มีสติดังนั้นขอให้เราสนใจอยู่กับการจเจริญสติแล้วเราจะนั่งหรือเดินผลมันก็จะได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเดินหรือนั่งที่มีการเปลี่ยนนิรยาบทเพราะว่าถ้านั่งนานๆมันก็เมื่อยเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดิน ถ้ามันเดินแล้วมันเมื่อยก็กลับไปนั่งนี่ลักษณะของผู้ที่เขาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแต่พวกที่ปฏิบัติแบบแค่วันละครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ต้องมากังวลก็จะเดินหรือจะนั่งนั่งได้เลยเพราะว่าเดินมาเยอะแล้วทำงานทำการทำนู่นทำนี่ก็เดินไปเดินมาอยู่ตลอดเวลาไม่เคยนั่งเลยเดี๋ยวมานั่งเสียยกเว้นพวกที่ทางานนั่งอยู่กับโต๊ะอยู่กับเก้าอี้ทั้งวัน ถ้ามานั่งต่อรู้สึกว่ามันเมื่อยก็เดินก่อนอันนี้แล้วแต่แต่ตัวสำคัญอยู่ที่ตัวสติต้องมีพุโทโธพุโทโธก่อนมานั่งถ้ามาเริ่มนั่งพุโทโธตอนนั่งมันก็จะไม่มีวันสงบได้เพราะว่ามันจะไม่มีกำลังหยุดความคิดต่างๆได้มันต้องมีสติหยุดความคิดก่อนที่จะมานั่งนั่งแล้วมันถึงจะสงบได้ คำถามกับคุณชิพารด า, านะครับที่เสียนป่วยเป็นมะเร็งถ้าก่อนที่ลมหายใจจะดับมีความเจ็บปวดมีเวท น, นาทางร่างกายด้วยอาการของโรคจะปฏิบัติอย่างไรให้แยกกายออกจากจิตได้คะก็อย่างที่สอนเนี่ยให้คิดว่าความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ให้ท่องอย่างนี้ไป เรื่อยๆจนหวดลมหายใจแล้วใจจะไม่ทุกข์กับความเจ็บจะไม่ทุกข์กับความตายคำ ถ, ถามจากธรรมะในสวนนะครับ mm hmm. เพื่อนผู้ปฏบิบัติบนกับเราว่าเบื่อมากๆยิ่งปฏิบัติยิ่งฟุ้งซ่านเราควรจะบอกเขาอย่างไรก็บอกให้เขาหมัน่นพุทโธให้มากๆที่มันฟุ้งซ่านเพราะว่ามันไม่มีพุโทโธไม่มีสติพอไม่มีสตินั่งแล้วมันฟุ้งซ่านก็เลยเบื่อ ไม่ได้ผลนั่นเองเพราะว่าไม่เจริญสติไม่เจริญพุโทโธพุโทโธก่อนเอต้องพยายามขยานพุโทโธไว้ตั้งแต่ตื่นจนหลับนบอกให้ก็พอดืมตามาก็าให้พุโทโธไปเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอเวลานั่งมันจะสงบมันจะไม่ฟุง้งคําถามพระคุณพทศพลนะครับผมตีงูตายเพื่อปกป้องแมวที่เลี้ยงไว้ พะ ง, งูมันกำลังจะกัดแนวจะบาดไหมครับบาทำบาดควรทำไงเพื่อไทยบาปอ๋อก็ต้องไปเกิดเป็นงูให้เขาตีเลย <c oughs> คำถามจากคุณดอฟฟีน่นะครับได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ทุกวันอยากทราบว่าจะได้อานิสงส์เหมือนไปที่วัดไหมคะอ๋อฟังที่ไหนก็ได้ผลเหมือนกันแต่ได้มากได้น้อยอยู่ที่การฟังว่าฟังแบบไหน ฟังแบบทับีในหม้อแกงหรือฟังแบบลิ้นกับแกงถ้าฟังแบบทับีฟังแล้วเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปมันก็หมดไปได้ประโยชน์ในขณะที่ฟังแต่ไม่ได้ประโยชน์เพิ่มจากการนำออกไปปฏิบัติถ้าต้องการได้ประโยชน์มากกว่าจากการที่ได้ยินได้ฟังก็ต้องนำาอกไปปฏิบัติประโยชน์ที่ได้จากการได้ยินได้ฟังก็คือได้ยินธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สองได้ยินถ้าฟังถ้าทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นก็จะกำจัดความสงสัยไปได้แต่ยังอาจจะไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นได้เพราะมันเป็นผลชั่วคราวชั่วในขณะที่ฟังถ้าอยากจะให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรายังติดอยู่เราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติต่อ คำถามเจ้าคุณทานิชนะครับเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเห็นความคิดตัวเราเองคิดฟุ้สร้านเราควรจะนั่งต่อไปหรือควรถอนออกจากสมาธิก่อนแล้วจึงกลับมานั่งใหม่ก็แล้วแต่เราเราจะทํายังไงก็สุดแท้แต่ถ้าจะทางที่ดีนั่งต่อไปได้แล้วบริกรรมพุโทโธได้มันน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราบริกรรมพุโทโธได้ความสงบก็จะตามมา คำถามจะคุณก่อนแก้วนะครับเวลานั่งสมาธิใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีจิตก็สงบนิ่งไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากพุโทโธเบาสบายแต่ก็ยังรับรู้ถึงเสียงหรือเหตุการณ์ภายนอกอยู่ถ้าเป็นเสียงก็จะเบากว่าปกติเช่นนี้ถือว่าได้เข้าสู่สมาธิหรือยังคะก็ได้เข้าสู่ในระดับหนึ่งยังไม่ได้เข้าเต็มที่ ก็ควรจะบริการพุโทโธต่อไปจนมันไม่นับรู้เรื่องราวต่างๆเลยเหลือแต่ศักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียวคําถามคุณแอนนะครับการที่บางคนนอนไม่รู้สึกตัวจิตของเขาจะทรมานอยู่ในกายหรือไม่น่าจะเป็นผู้ป่วยแล้วอาจารย์ในตอนนี้นอนไม่รู้สึกตัวตตเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามก็ดูเลย มาถามเราคำถามจากคุณเสริมศักด์นะครับที่บ้านแม่ทุกวันพระจะไหว้ผลไม้ของข้าวหวานแต่บ้านผมไหว้ทุกวันพระเหมือนกันแต่ไหว้พวงมาลัยน้ำเปล่าอยากทราบว่าจําเป็นต้องไหว้อย่างที่แม่ทําไหมครับและมีความสําคัญหรือเปล่าไหว้อะไรเนี่ะไหว้พระหรือไหว้ ผมไหว้เจ้าด้ือไหวยอะไรไหว้ไวไหว้พระคนวิ่งเหรอพระเนอ๋อพระบนทิ้งนั้นท่านไม่ให้ไหว้ด้วยผลไม้ไม่ได้ให้ไหว้ท่านให้ไหว้ด้วยการปฏิบัติอปฏิบัติบูบชานั่งหลับตาต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็พุทโธพุทโธไปนี่คือวิการไหว้ที่แท้จริงถ้าไหว้แบบขี้เกียจก็เอาจุดดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ไปนอนนี่เรียกว่าไหว้แบบขี้เกียจ ถ้าไหว้แบบกยันก็ต้องนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปแล้วผลจะได้ต่างกันคา่าคำถามคุณวอนะครับใช้ระลึกที่ความว่างหรือความรู้สึกพร้อมทําความรู้สึกตัวเบาๆหรือเปล่าเจ้าค ะ, ะเราทําไม่ได้หรอความว่างหรือความเบาๆนี่มันเกิดจากการที่เรามีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียว แน่นอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็ว่างขึ้นมาเองเดี๋ยวมันก็เบาเองไม่ใช่เราจะมานั่งนึกให้มันว่างให้มันเบาเนี่มันมันเป็นไปไม่ได้ต้องใช้สติเป็นตัวกากับจิตไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วความว่างก็จะเกิดความเบาก็จะเกิดตามมาคำถามจากคุณคณะวัดนะครับทำไมอิฉันสวดมนต์แล้วเสียง มันจึงดับไปไม่ได้ยินเสียงของตัวเองที่กำลังสสวนก็หยุดส่วนหรือเปล่าคาถามจากคุณลักนะนะครับในการปฏิบัติแบบดูจิตเราใช้อะไรมาเป็นผู้ดูเมื่อเรามีจิตดวงเดียวและเป็นผู้ถูกดูอ๋อเราต้องใช้สติเป็นตัวดู ต้องใช้พุทโธพอจิตสงบแล้วเราก็แค่จะเห็นตัวจิตถ้าจิตยังไม่สงบเราจะไม่เห็นตัวจิตเียเรายังดูจิตไม่ได้ถ้าจิตยังไม่สงบดะงนั้นต้องทาจิตให้สงบก่อนใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่งให้จิตสงบพอจิตรวมแล้วก็จะเห็นตัวจิตเห็นตัวรู้แล้วหลังจากนั้นเราก็คอยดูเหมือนไปด้วยสติ คำถามญปุ่นเอโซนะครับผมนั่งสมาธิแล้วติดในอารมณ์สมาธิทําอย่างไรจะออกได้โดยไม่ให้ติดในสมาธิเพราะนั่งได้นานเป็นชั่วโมงแล้วติดแต่ออกไม่ติดล้วตอนนี้มาพูดได้ยังไงนะถ้าติดมันก็ต้องไม่ออกสิออกแล้วมันจะแปลว่าติดได้ยังไง คงลักษณะว่าอยากออกแบบเป็นขั้นตอนไม่ใช่ว่าออกเลยใชครับอาารอ่าไม่ต้องหรอกก็เดี๋ยวมันเข้าไปก็เพื่อให้มันให้มันนิ่งเมื่อมันนิ่งเราจะไปออกมาทําไมก็ปล่อยมันออกมาเองถ้ามันยังไม่ออกก็ปล่อยมันอยู่ไปอย่างนั้นมันดีจะตายไปถ้ามันเป็นสมาธิจริงๆไม่มีใครอยากจะออกเหมือนคนเข้าไปอยู่ในห้องแอร์แล้วอยากจะออกมาอยู่ข้างนอกร้อนๆแล้วเปลไม่อยากนอกจากมีธุระปรา่าปังมีความจะเป็นจะต้องออกมาทั เหตงใดการเข้าสมาธิก็เหมือนกับการเข้าห้องแอร์ถ้าเข้าไปในสมาธิแล้วอยากจะออกก็สแสดงว่ามันไม่ใช่สมาธิแล้วคงจะเป็นคุกมากกว่างพอเข้าปุ๊บ ก, ก็อยากจะออกทันทีเลยงั้ <c oughs> นถ้าเป็นสมาธิจริงแล้วมันไม่อยากจะออกแต่มันต้องออกนี่จะอยู่นานหรือไม่นานก็แล้วแต่กำลังของสติคนที่มีกำลังดีๆก็ว่าเข้าชานได้ทีเจ็ดวันสิบวัน สแสดงว่าสติเขามีกำลังมากสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้นานถ้ามีสติน้อยเดี๋ยวสู้กำลังของตันหาความอยากไม่ได้ความอยากมันจะดูรูปเสียงกินลดมันก็จะดันจิตให้ออกมาเองไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะอยู่ใน น, นั้นขอให้อยู่นานๆเถอดอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีอย่าไปอยากออกมาออกมามันร้อนจะตายไปอยู่ข้างในเย็นสบายไม่อยู่ แล้วนั่งสมาธิไปทําไมองค์เป็นลักษณะว่ามีหลายๆสมนักที่ชอบบอกว่าระวลับาติดสมาธิหน้าอะไรแล้วก็กลัวก็พวกนี้ไม่เคยเจอสมาธิกันไม่ต้งกลัวติดสมาธิทําไมที่ติดสมาธิไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ไปเจริญปัญญาต่อมันไม่ก้าวหน้าต่อท่านเองแต่ติดสมาธิก็ดีไปเป็นพรมทำไมจะเสียหายตรงไหนเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ไปเป็นพระอริยบุคคล ถ้าติดสมาธิมันก็เป็นพรมไปเรื่อยๆถ้าอยากจะเป็นพระอริยบุคคลตัดพบตัดชาติก็ต้องออกมาเจริญปัญญาอถึงจะเรียกว่าไม่ติดสมาธิคำถามที่คุณพิงแคนนะครับถ้าจับอารมณ์ที่สุบนิ่งเหมือนเมื่อวานที่นั่งฟังธรรมะบนเขาแล้วมีลมเย็นมากระพบใจแล้วใจมันสุขถ้าจะจับความสุข เย็นแบบนี้มาเป็นอารมณ์นึกแหงรำภาวนาได้ไหมคะไม่ได้แร้วมันเป็นอดีตไปแล้วเราต้องตั้งอยู่ในปัจจุบันให้จิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่าไปคิดถึงอารมณ์ในอดีตคิดแล้วมันเป็นความปรุงแต่งไปแล้วมันก็จะไม่สงบมันก็จะไม่เย็นยังเราต้องมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งค่ะ ตอนนั้นข่าวที่แล้วมันเกิดจากการฟังธรรมแล้วก็ลองเปิดธรรมฟังดูต่อไปอยู่กับการฟังธรรมแล้วเดี๋ยวมันก็เย็นก็สงบเองแต่จะไปนึกถึงอารมณ์เย็นอารม์สงบแล้วจะคล้ายๆเหมือนกับว่าสร้างมันขึ้นมาจากความคิดนี้ไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากความคิดมันเกิดจากการไม่คิดคำถามตะกุนาดานะครับขออาจารย์ แนะนำวิธีการพิจารณาแยกกายเป็นธาตุต่อนั่งสมาธิค่ะอ๋อตอนนั่งสมาธิไม่ให้แยกกายตอนนั่งสมาธิให้มันนิ่งให้มันสงบไม่ให้มันคิดเวลาออกจากสมาธิแล้วค่อยมาคิดแยกกายพิจารณากายว่าเป็นดินน้ำลมไฟเพราะอะไรเพราะถ้าไม่กินดินน้ำลมไฟเข้าไปมันจะมีอาการสามสิบสองนี่หรือเปล่าถ้าไม่กินข้าวเข้าไป ร่างกายมันจะโตมาเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าข้าวมันก็ดินน้ำลมไฟนี่แหละข้าวผักน้ำเนื้อลมหายใจเนี่ยมันก็ดินน้ำลมไฟเวลาเรากินข้าวก็เรียกว่าเป็นการเติมธาตุเติมเครื่องที่จะมาเสริมอวัยวะต่างๆของร่างกายถ้าเป็นเด็กก็ให้มันโตขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นผมยาวขึ้น ถ้าเราเกิดมาจากท้องแม่แล้วไม่กินไม่ดื่มนี่มันจะโตขึ้นมาได้เป่าแล้วสิ่งที่ทำให้มันโตคืออะไรก็ข้าวผักเนื้อน้ำลมหายใจของพวกนี้มันก็เป็นธาตุทั้งนั้นดินน้าลมไฟแล้วเวลาตายไปร่างกายมันหายไปไหนมันก็หายไปกับธาตุไม่หช่น้ำก็ไปทางลมก็ไปทางไฟก็ไปทางดินก็ไปทาง ก็เนี่ยคือร่างกายของเราก็คือการรวมตัวของธาตุสี่และการแยกตัวของธาตุสีรวมกันก็เรียกว่าเกิดพอแยกกันก็เรียกว่าตายท่านั้นเองไม่มีอะไรไปมากไปกว่า น, นั้นคำถามข้อต่อไปจากคุณเอซโซดามอีกครั้งนะครับใช่ครับผมอยากไปต่อมาขั้นปัญญาผมนั่งมันติดสุขอารมณ์ขณะนั้นมันสุขมากเกิดปีป ใครจะมาซื้อห้าร้อยล้านผมก็ไม่ขายขนาดนั้นผมพูดกับตัวเองผมจะมาขั้นปัญญาได้อย่างไรครับก็มาเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้พิจารณาอนิจจาทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปยึดไปติดอยู่ที่เราไปคิดว่าเป็นของเราที่เราไปพึ่งมันให้ความสุขกับเราถ้าเราพึ่งเงินก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ ถ้าเราเพึ่งยศก็พิจารณาว่าเป็นทุกข์เพื่อเราจะได้ไม่ไปพึ่งมันเมื่อเราไม่ไปพึ่งมาแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการไปพึ่งในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราไปพึ่งในสิ่งที่มันไม่เที่ยงที่จะต้องจากเราไปต้องพิจารณาทุกอย่างที่เรากําลังมีอยู่ติดอยู่เนี่ยมีอะไรโยนทิ้งไปเลยนาฬิกาถ้าไม่จําเป็นสร้อยเพชรอะไรก็โยนทิ้งไปยกให้คนอื่นไปเอาไปทําบุญ สมัยหลวงตาท่านทำทองคำช่วยชาตินี้บางคนถอดสร้อยถวายท่านเลยถอดแหวนถวายเลยพอฟังแล้วไม่รู้ห้อยไปทาไมใส่ไปทาไมเพราะความหลงที่ว่าเป็นที่พึ่งหารู้แม่กำลังห้อยงูอยู่ที่คอนี่เองเวลาหายไปร้องโ h ม m ร้องไห้กินไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยใช่เวลามันจากเราไปเนี่ยเขาเรียกอนิจังมองไม่เห็นอนิจัง งันอย่าไปยึดไปติดกับอะไรเพราะมันจะต้องจากเราเวลาจากเราแล้วร้องหผงร้องห้า่อย่างาเช้านี้แฟนของคนตายใส่บาสนี้ธรรมดาเจอเขานี้ยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้วันนี้ใส่บาสน้ําตานองหน้าเลยเสียแฟนไปคําถามจากคุณสุธมานะครับขอให้พระอาจารย์แนะนำการฝึก ด, ดูลมขณะนั่งสมาธิ มีวิธีปฏิบัติอย่างไรต้องตามลมไปหรือไม่ออไม่ต้องตามลมให้ดูลมที่จุดเดียวจุดที่มันสัมผัสเข้าออกตามแถวบริเวณปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาให้ดูตรงนั้นเวลาลมเข้าก็เราก็จะรู้ว่ามันมีการสัมผัสตรงนั้นเข้าก็รู้ออกก็รู้ไม่ต้องตามเข้าตามออกเหมือนยามที่เฝ้าประตู ให้ยืนอยู่ให้ดูที่ตรงประตูแล้วนับคนเข้าคนออกไม่ต้องตามเข้าคนนี้เข้าไปก็เดินก็ตามพขาเข้าไปเดี๋ยวคนออกก็มองไม่เห็นเลยให้อยู่ที่เดียวนะไม่ต้องไปทําอะไรกับลมนะลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบ ก, ก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหมายไปลมหมดไปก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปตื่นเต้นตกใจ แล้วเดี๋ยวมันจะรวมเข้าสู่ความสงบของมันเองาเองไม่ไมาเขาจปลไม่เป็นไรก็นั่งไปเรื่อยๆพักผ่อนไป <c oughs> เดี๋ยวก็เข้ามาเองามาม่ครับเช็คไมค์ก็ฟนตัวเมื่อกี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะเมื่อกี้มันยังเสียงดีอยู่นี่ยะ <c oughs> ให้ส่งมให้หยบดูหน่อยไห จะได้แก้ปัญหาได้เลยตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะหรือว่ามันอนนี้จังก็ไม่รู้ <c oughs> อลองเสียบไปใหม่ดิลองเสียบใหม่ดิไม่เสียบจะไปรู้ได้ไงทําไมเมื่อกี้ยังใช้ได้ลนะ่ะ <c oughs> ก็สะแสดงว่าไมโครโฟนเสียนะ <c oughs> ก็เปลี่ยนใหม่อ <c oughs> ไปเวลาก็ให้รู้ไว้ <c oughs> มัน มันเป็นปัญหาห เ, หเรียกว่าอ น, นิจจังไม่ไหมอนิจจังก็ทุกขังตามมาเพราะไม่อยากให้มันเสียเพราะอยากให้มันใช้ได้พอไม่ยอใช้ไม่ได้ก็เป็นปัญหาเกันมาแต่ถ้าเราไม่ไปอยากใช้มันเสียก็เสียก็จบไม่เนอย่าไปอยากมันเป็นอย่างไงนก็มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเสียใช้ไม่ได้ก็อย่าไปใช้มัน คำถามจากคุณธรรมชาตินะครับขอาการเรียนถามพระอาจารย์ชอบนั่งสมาธิแต่ไม่ชอบสวดมนต์ปฏิบัติอย่างหนึงอย่างใดได้ไหมเจ้าคะได้ถ้านั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องสวดมนต์คนที่สวดมนต์ส่วนใหญ่เพราะกายังนั่งสมาธิไม่ได้ก็เลยต้องการใช้การสวดมนต์เป็นการแทนนั่งสมาธิไปก่อนเพราะการสวดมนต์ก็จะทําให้มีสติ ทำให้ใจไม่ฟุง้งซ่านทำให้ใจเย็นใจสงบเพียงแต่ยังไม่รวมเท่านั้นเองแตถ้าต้องการให้รวมนี้ต้องนั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุโทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปจิตถึงจะรวมได้เพราะเราต้องการให้เป็นหนึ่งไงมันก็เลยต้องมีอารมณ์เดียวสักเอกคตารมมีพุโทโธอย่างเดียวหรือมีลมหายใจอย่างเดียวแล้วมันก็จะรวมแต่ถ้า นั่งแล้วมันอึดอัดแสดงว่าสติสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันชอบคิดก็เลยให้มันมาคิดทางการสวดมนต์แทนการสวดมนต์ก็เป็นการคิดอย่างหนึ่งคิดไปสวดไปย่าทั้งมันเหนื่อยไม่อยากจะสวดก็แสดงว่ากิเลสมันหมดแรงแล้พอหมดแรงสวดก็ดูลมต่อไปได้ดูลมแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบมันก็จะรวมได้ดังนั้นการสวดมนต์กับการนั่งสมาธินี่มันก็เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องกัน แต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องสวดเราก็ไม่ต้องสวดแต่ถ้านั่งแล้วมนันอึดอัดมันไม่ยอมมันอยากจะคิดนู่นคิดนี่ก็ให้มันมาสวดมนต์แทนแ ล, แล้วสําหรับบุคคลที่ไม่ค่อยสวดมนต์ไม่ค่อยนั่งสมาธิจะทำยังไงต้องปฏิบัติอย่างไรครับอ๋อก็เปิดทีวีดูซิ <laughs> <laughs> ไม่มีวิธีที่จะปฏิบัติได้ได้มีวิธีหนึ่ง คือให้ฟังเทศฟังธรรมไปฟังธรรมก็จะทำให้ใจสงบได้ใน อ, อันที่สองของการฟังธรรมก็คือทำให้จิตใจสงบผ่องใสถ้าฟังแล้วใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะต้องฟังอย่างจดจอ่ออย่างต่อเนื่องก็จะได้สมาธิคนบางคนถึงนิยมฟังธรรมกันเพราะฟังแล้วทำให้ใจสงบแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาด้วย แต่ยังเป็นปัญญาขั้นต้นคือสุตตมยาปัญญาที่จะต้องนำเอาไปพัฒนาให้เป็นจินตาและเป็ น, านามายาปัญญาต่อไปก็คือเนี่ยวันนี้ฟังแล้วบอกให้พิจารณาอย่างเนืองๆความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้เอาไปพิจารณาต่อก็เรียกก็เป็นจินตามายาปัญญาเอาพิจารณาไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตวางเฉยได้อุเบกขาได้ก็เป็นภาวนามายาปัญญาขึ้นมา ต่อไปก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราจะเฉยกับมันคำถามคุณครารี่นะครับเวลาเข้าวัดถือสิงใจนิ่งสงบไม่คิดภูมสร่างแต่พอกลับบ้านใจก็ไม่สงบมีแต่ความต้องคิดเึ็นเพราะอะไรครับแล้วควรทำอย่างไรเพราะเหตุการณ์รอบตัวเรามันบังคับให้เราคิดจะมันมีเรื่องราวต่างๆที่เราจะต้องทา เวลาทำอะไรก็ต้องใช้ความคิดถ้าไม่อยากจะเจอก็อยากกลับไปอยู่วัดไปนานๆนบวชไปเลยไม่ต้องกลับ <c oughs> ถ้าถ้าอยู่ที่วัดยังยังวุ่นวายก็ไปอยู่คนเดียวอยู่วัดถ้าอยู่กับคนหลายคนก็ จ, จะยังมีเรื่องไม่ดาวได้แต่อยู่วัดไม่น่าจะมีเรื่องหรอกถ้ามีเรื่องก็แสดงว่าใจเราไม่สงบ เราควบคุมใจเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็จะไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ดงนั้นต้องมีสติถ้ายู่มีสติแล้วอยู่ที่ไหนก็พอพ อ, อยู่ได้ถ้าไม่มีสติอยู่ที่ไหนก็มีเรื่องทั้งนั้นแหละคําถามไปคุณสิบเจ็ดเมษานะครับสวดมนต์หลังที่คืนได้ไหมครับ ว่าหนูทำงานเลิกดึกมากไม่มีเวล า, เ, าเวลาส่วนมนต์นี่สวนได้ทั้งวันทั้งคืน 7-11 ว่นหรือวยีิสี่ี่ยี่ส่ามงคำถามจากคุณเอตโตดามิคำถามนะครับผมเคยนั่งและนอนสมาธิเคยเห็นล่างตัวเองประมาณ5้าวินาทีผมกลัวตายผมลืมตาจากนั้นก็ไม่เป็นอีกเลยอาการแบบนี้ มันดีไหม่ครับและมีโอกาสตายไหมครับเห็นล่ามอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นไม่กลัวเวลาลืมตาก็เห็นล่ามอยู่พอหลับตาเห็นล่ามกลับไปกลัวเอ๊ะมันเป็นยังไงเนี่ยอคําถามฝากถามนะครับผูกปักกิเลสสีไหมอ๋อไปถามด็อกเตอร์กูเกิได้เลยถ้าหมดล่าก็ไม่เป็นไรนะก็ก็สมควรแก่เวลา